เมื่อวันพฤหัสไปตรวจร่างกายที่สิริราชเจอกใส่นาสักเศษหมอให้ยามาหลังหนึ่งเป็นของที่ะระลึกนะบอกใช้ตอนมีอาการถ้าไม่มีอาการไม่ต้องใช้ เวลาแก่แล้วเรื่องเยอะเราชอบอวยพอนะให้อายุยืนมาลัตนาหลวงพ่อให้อายุร0อยยี่สิบจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเอาแต่ได้เนาะให้ลวงพออ่อยืยืนตัวเองหนีไปตายก่อน <c oughs> เห็นครูบาอาจารย์ที่อายุเยอยะๆนะน่าสงสารนะ หลวงปู่ดวงดีเงนนนะนอนเฉยๆอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงท่านไว้เหมือนเลี้ยงเนื้อเยอะอปิดอาหารแล้วไปคนเราได้ตายตามธรรมชาติดีที่สุดไม่ต้องยืนอนาน ยื้อนานก็เจ็บนานอ่ะส่งงานบ้านฟังเพลินก็ฟังตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นความรู้สึกตัวเองมากขึ้น อ, อ่านความรู้สึกตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะไม่เข้าไปแทรกแซนไม่เข้าไปบังคับไม่อ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง เหมือนมีหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่านยากอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วอ่านอีกเดี๋ยวก็รู้เรื่องใจนี้ก็เหมือนกันเป็นหนังสือที่อ่านยากซับซ้อนใจคนซับซ้อนที่สดุดหาต่ออ่านไปเรื่อยๆหรือวันหนึ่งก็แจ้งส่งคนบ้านสับหลวงพอ่อว่าไปครับก็พยายามฝึกอยู่ครับอตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับ ถูกถูกต้องพยายามฝึกก็พยายามต่อไปนะแต่การพยายามปฏิบัตนะิต้องอ่านใจตัวเองให้ออกพยายามเล่าโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอนะไรเงี้ยอันนั้นไม่ถูกพยายามคือพยายามทําเหตุมีสติบ่อยๆ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะส่วนผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ผลมุ่งที่ทําที่เหตุมุ่งที่ผลนะอยากดีอยากน้นอยากมันรู้อย่างนี้จะไม่มีวันได้เลยเหตุต้องขยันทํานำะขยันทําเหตุที่ดีเหตุที่ชั่วก็ต้องละเหตุที่ชั่วคือตัวตัณหาความอยาก อยากโน่นอยากนี่กนระทั้งอยากได้มักผลก็ต้องละนะให้รู้ทันละด้วยการรู้ทันโลภแล้วมีตัณหาแล้วทำเหตุที่ดีคือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปพอปัญญาแก่รอบมิมุตตก็จะเกิดเองไม่มีใครทำวิมุตต์ให้เกิดได้ต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญา ศีลทำให้สมาธิดีขึ้นสมาธิที่ถูกต้องทำให้เจริญปัญญาได้ใ้สุดก็เห็นความจริงของกายของใจได้เฝารู้เฝ้าดูไปสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเราผิดศีลนะ่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรออย่างเราเกลียดคนนี้อยากฆ่าเขาเนี่ยใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่ที่คนที่เราอยากฆ่า อยากขโมยใจไปอยู่ที่สมบัติอยากผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ยใจไปอยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายโน้นนี่ยใจมันหนีไปฟุ้งซ่านเวลาโกหกนะใจมันฟุ้งซ่า น, ะานเวลากินเหล้าเมายานะใจมันขนองเฮฮาปาร์ตี้บ้างเศร้าโศกบ้างอะไรบนะ้างนี่จใจไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่นเรามีสีเนะี่ยเพื่อให้มีสมาธิ นะให้ใจใจอยู่กันเนื้อกับตัวมีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาใจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจเเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้มีมุมดก็จะเกิดรู้ความจริงล้วกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็นะาจะได้พระโสดาบันเห็นความจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จะได้เป็นพระนาคา เหนความจริงว่าจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ที่แสดงทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละดูอยู่ที่รู้กายรู้ใจทำเหตุรู้กายรู้ใจบ่อยๆลาเหตุชั่วอยากบรรลุอยากได้ผลลาซะอย่าทำเพราะอยากช่วงช่วงนี้ก็จะดู มันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ดูลงไปตร ง, ตรงๆไม่ได้เห็นเห็นกิเลสตัวเองตรงๆมันเหมือนเราก็ยังแบบคิดเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามกลับไปดูเพิ่มนันเหมือนมันกลังคลาทางบางอย่าง อ, อยู่ะคะเวลาเราภาวนานะถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเนะี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่แจ้งยังสงสัยอยู่ต้องคลาต้องสังเกตอยู่นะงับางทีครูบาอาจารย์ท่านถามกัน ว่าอาจารย์สิ้นสงสัยแล้วหรืออะเงี้ถ้ายังไม่สิ้นสงสัยยังคลำอยู่สังเกตไหมใจมันไม่สิ้นสงสัยนั่นแหะถูกแล้วถ้าอยู่ๆกาสิ้นสงสัยแล้วตอนนี้สิ้นสงสัยแล้วม่อยู่ใกล้หลวงพ่อจะเบิร์ตกลุ่มให้ความสงสัยกลับมาอีกภ <c oughs> าวนาได้ดีมากนะใช้ได้ดีมากๆเลย ดีนะยำชวนพี่เขาให้เจริญสติหน่อยนะ<ๆ>ทำบุญทำทานอะไรมันก็ดีหรอกแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรอกะมันเป็นไปเพื่ออยู่กับโลกยังมีความสุข อ, อ, อยู่วัดก็ฟุ้งซ่านเยอะเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นเป็นลําดับลําดับไปค่ะเป็นไงตื่นเต้นเป็นลําดับ <c oughs> คือหมายความว่าเมื่อวานก็ มีมีนกยูงมีอะไรเนี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ก็เมื่อก่อนมีเยอะวันนี้นะค่อยค่อยล้มหายตายจากไปตื่นเต้นอรู้ว่าใครจาเป็นใครจำเป็นจะส่งันบ้านขอจำเป็นจริงๆนะอย่าไ่ชวนหลวงพ่อคุยเล่นเพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงหรอ กรามนรรส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูใช้อานาปานสติเป็นฐานนะคะนั่งดูร่างกายมันหายใจดูร่างกายไปเห็นร่างกายมันบีบมันคั้นพอมันบีบมันคั้นมันเห็นใจมันดิ้นรนใจมันไม่ชอบนั่นแหละไปทาต่อไปทำอนาปานสติให้หลวงพ่อดูสิ จิตมันจงใจไปดูร่างกายหายใจมากไป <Okay. S 1> มันจะเป็นการเพลงที่อึดอัดนิดหนึ่งนะ <Okay. S 1> ไปแก้ตรงนี้ <Okay. S 1> รู้ร่างกายหายใจด้วยใจที่สบาย <Okay. S 1> อยู่ไหนข้ากรับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบสองเดือนค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปเริ่มนับหนึ่งหมายทุกวันด้วยการสวดมนต์การเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะ ก็รู้สึกว่าจิตมีกำลังเพิ่มขึ้นค่ะก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์ได้เร็วขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นๆานค่ะ<ด>ก็ <ไป S 1> ค่ะไปทำอีกไปค่ะ<อ>ทำะได<ว>้ดีอยู่น่นเสื้อสีแสดอยู่ข้างหลังนามัสการขุ้หลวงพ่ อ, อ, อมีกาลยานมิทัก โยมว่าจิตของโยมอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นโยมก็เลยรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกอะไรอยู่ข้างในต่อมาก็เริ่มเข้าใจว่าจะจิตเนี้ยยึดกายยึดใจอย่างเหนียวแน่นมากอมไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้จิตของโยมยังอยู่ข้างนอกอีกหรือเปล่าคะเพงง่งเอาไว้ข้างในเพ่งอยู่ข้างในใช่ไห ม, มยโยมก็เพง่เพงงั้นค่ะถูกก็มางั้นใช่ไหม <laughs> เห็นแล้วนี่เห็นแล้วก็ดูเอาใช่ค่ะจิตหลงออกไปข้างนอกรู้ทานนะก็รู้แล้วเราก็ชอบมาเพ่งไปข้างในใช่ค่ะนเะหมอนสุดโต่สองฝั่งฝั่งหนึ่งหลงฝั่งหนึ่งเพ่งสองฝั่งนี้ไม่เอาจิตหลงไปข้างนอกรู้ทานนะหายใจไปพุทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเอง นี่พออยากให้มันอยู่ก็ที่ไม่ออกนอกแล้วไปเพ่งอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะใช่ค่ะปล่อยไปให้มันเป็นธรรมชาติเข้ามาบ้างออกไปบ้างแค่มีสติตามระลึกรู้ไปขอบคุณค่ะทำไมหลวงพ่อตอบพวกเราอย่างกล้าหาญที่พวกเราผิดหลวงพ่อเคยผิดมาแล้วเท่านั้นนะการนมัสการครับเอว่าไป ลูกได้นำสิ่งที่มาตื่นเต้นครับอขอกันบ้านจากผู้ช่วยสอนท่านให้ไปดูใจสภาวะให้ดูอะไรนะดูดูสภาวะของใจครับเออเราบพิ่สอนถูกแล้วครับแล้วทีนี้ลูกดูไป มีแต่ความทุกข์มีความสุขเข้ามาเจือนิดหนึ่งก็หายไปความสุขไม่เที่ยงครับแล้วทีนี้ลูกดูไปตัวล่าสุดก็คือสภาวะโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าอยู่ครับใจต้องเป็นกลางนะ ใจไม่ไปเกลียดโลกไม่ไปเกลียดทุกข์ถ้ามันเกลียดโลกมันเกลียดทุกข์ให้รู้ทันใจที่มีโทสะตัวที่เกลียดนั้นเป็นโทสะปกติประคองจิตไว้แบบนี้ไหมหรือตอนตื่นเต้นถึงทำตื่นเต้นครับเออถ้าไห้ก็ไม่เป็นไรจิตยังไม่เข้าฐานดูออกไหมครับเราหายใจเล่นๆด้วยไม่บังคับจิตนะ หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกทำไปตรงนี้รู้สึกไหมมันไม่เหมือนตะกีเออ้เนี่ยจิมเข้าบ้านเป็นอย่างนี้ไปฝึกต่อไปใช้ได้อยู่อยู่ข้างๆ ข, ข้างหลังนมัสการค่ะหลวงพ่อ วันนี้โยมจะมาถวายการบ้านนะคะวันนี้ส่งการบ้านแบบหลังสุดนี่ปีเสร็จแล้วอวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าต่อไปจะเห็นทุกอืมทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยแบบเวลายมอยู่ในกลุ่มเพื่อนฟูงหรือพี่น้องก็แบบเวลายิ้มหรืออะไรหัวล้อกับเขามันมันเฟื่องเฟื่อ่ะหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นมามันไม่มีความสุขแล้วมันมันก็ทุกทุกทุกขึ้นเรื่อยเื่บางทีผัสสะอะไรมานิดนึงก็แรงบอกไว้แล้วนี่วันนี้จะเห็นทุก เจ้าค่ะมันคือแบบนี้เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกแล้วแล้วเสร็จแล้วมันหนักหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนเมอนมีมนโทสะค่ะเจ้าค่ะมันแล้วเอาไม่อยู่มันเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยนะคะให้ดูให้ดูฐานใจที่ซึมเศร้าดูใจที่มีโทสะแล้วพอเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะมีอยู่วันหนึ่งโยมนั่งสมาธิตอนเช้าปกติโยมจะทํารูปแบบทุกวันไม่ต่ำกว่าสาสิบนาทีนะคะ ทีนี้วันนั้นโยมนั่งได้แค่สิบห้านาทีมันวุ่นวายมากเลยหลวงพ่อมันมันไม่ไหวอืโยมข้างในก็เลยบอกมันแบบจิตเป็นอกุศลแล้วจะนั่งทําไมอย่างเงี้ยก็เลยไปนอนพอวันที่สองก็คิดปกติมันจะไม่เหมือนเดิมแต่วันที่สองมันก็เป็นอีกอืคราวนี้ไม่ไม่ถึงสิบนาทียอมก็เป็นนอนอีกพอวันที่สามมันก็เป็นขึ้นมาอีกวุ่นวายมากคราวนี้ได้แค่ห้านาทีมันจะลุกแล้วเรายมก็ข้างในมันก็บอกว่า นี่เรากําลังจะโดนกิเลสลากไปแล้วหรอใช่ไม่ลากมาสวันแล้วแล้วโยมก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาละ ว, วันนี้เป็นไงเป็นการไม่ยอมลุก อ, อแล้วโยมก็เลยนั่งนั่งเสร็จแล้วโยมก็จำำําคําพูดหลวงพ่อบอกว่าให้ดูโกรธซอนโกรธนะฮะโออยมก็เลยไปดูว่าจิตมันวุ่นวายแล้วก็ได้ดูตัวนั้นนะดูมันไปแล้วมันไม่ใช่เราเออแป๊บเดียวมันโป่งโล่ ง, ลง เ, ออเบาขึ้นมาเลยฮะเออนี่ยแหละแล้วมันก็เห็นรอยยิ้มอ่อนๆโชยออกมาออ แต่รอยยิ้ม อ, อ่ อ, อนๆเนี่ยมันเหมือนเยาะนิดๆ น, ด น, ดนะหลวงพ่อโยมก็เลยไม่ทราบว่าที่เห็นนี่มันคือจิตหรือมันคือกิเลสเจ้าค่ะมันเห็นอะไรก็ช่างมันเทิงนะเจ้าค่ะแต่มันยังไม่ใช่มรกคนอกอ๋อค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นมามีกําลังขึ้นแล้วค่ะเป็นปกติแล้วค่ะเออไปทําอีกทําถูก<อ>ต้องใช่ไหมใช่คะ่ะของหนูว่าคอยรู้ทันกิเลสที่ยืนพื้นก็คือตัวโทส ะ, ะค่ะ นั้นเวลารู้สภาวะแล้วมีโทสะแทรกรู้ว่ามีโทสะไป ใ, ใจจะได้เป็นกลาง่ะไปมีโทสะซ้อนโทสะอีกเหออ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนั่งก็ยี่อยู่นะกราบนะสการเจร้าค่ะ หนูเข้าใจว่าตัวเองมีจิตตั้งมั่นดีเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อมีจิตตั้งมั่นเนี่ยมีจะมีความวิเวกเข้ามามีอะไรนะความวิเวกเจ้าค่ะความเง<ม>ียบสงบอืมแต่ในความเงียบสงบนั้นเนี่ยมันไม่เงียบเจ้าค่ะอืมมันจะเห็นหัวใจที่เต้นแล้วก็ทําให้ตัวข้างบนโยกทั้งหมดอืหน<ม>ูดูไปแล้วนนะไม่มีอะไรเป็นตัวเราดูอย่างนี้ค่ะ ร่างกายหัวใจที่เต้นไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้เนียตื่นเต้นจะจิตประมาณประมาณนี้เจ้าค่ะคือเหมือนจะจะอยู่กับอยู่กับตัวเยอะปกติกจิตเป็นแบบนี้ไหมไม่แรงขนาดนี้เจ้าค่ะเออถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะค่ะอย่างนี้เพ่งอยู่มีเพ่งนะคะเจ้าค่ะ ปล่อยปล่อยให้มันทำงานให้เป็นอิสระจริงๆค่ะเมื่อเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วเนี่ยตอนที่หนูโกรธเนี่ยมันมีมวลมันมีมวลอารมณ์เข้ามาตรงหน้ามันเป็นอยู่ตรงวนวนวนเนมันเหมือนเอาแม่เหล็กขค่เดียวกันเนี่ยหันหากันนะคะมันอยู่ตรงกลางม้วนๆแล้วอีกสักพักแล้วมันก็สอนว่าให้หนูเมตตาไม่พูดอะไรหนูก็ฟังเฉยเย แล้วเขาก็พูดให้หนูโกรธอีกมันก็ขึ้นมาอีกมวนๆมวนๆเป็นมวนแล้วเขาสอนหนูอ่ะหนูว่าหนูไม่ได้มีศีลแต่มันสอนศีลหนูว่าให้ให้ฟังแล้วก็ให้พูดดีๆอะเจ้าค่ะมันก็สอนดีอยู่แ ล, แล้วเมื่อเมื่อต้นปีเนี้ยหนูก็โกรธอีกทีนี้มันโกรธมากแต่ว่ามันก็บอกหนูให้ให้ให้ดูเฉยเฉยแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียง เลื่อนเป็นสูบฉีดเหมือนกับคนเอาปืนฉีดน้ําได้ใหญ่มาฉีดเล่นกันนะเจ้าคะ่ะแล้วก็หนูก็ตั้งสติแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลที่ดีพูดกับตัวเองหรือพูดกับคนที่ที่คุยด้วย เ, ออเนี่ยเจ้าออค่ะเอพอืออ่ใช้ได้แล้วก็เมื่อชักตำนาณกลางปีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยมันเข้ามาเป็นแถบแถ บ, แถบหนูทนไม่ได้เจ้าคะ่ะหนูก็จะต้องลุกขึ้นหนีมม่เป็นแถบแถบตรงไหน ตรงประมาณอกตรงนี้เจ้าค่ะนูนลุกหนีตลอดเวลาเป็นเวลาสามสี่เดือนมันหนีไม่ได้จ น, นะนดูไปแล้วก็เห็นใจที่ไม่ชอบอะใจที่กลัวมันไม่ชอบมันเมืม่ม<ด>สอสองอาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหนูอ่านั่งภาวนาเป็นกลุ่มเจ้าค่ะแล้วเขามาอีกเจ้าค่ะนูลุกหนีไม่ได้อืหนูเล็ด หนูเลยดูเขาอืมมันทรมานใช่ค่ะมันทรมานหนูก็ดูไปเรื่อยๆประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาก็อ่อนลงหนูไปดูผิดตัวหรือไหมเจ้าค่ะหนูไปดูไอ้ตัวสภาวะที่เป็นอารมณ์มาล่อหนูไม่ได้ดูตัวจิตอืจิตที่กลัวจิตที่ไม่ชอบจิตที่รําคาญให้ดูตัวนี้อมไม่ใช่ดูไอ้ตัวไปที่เป็นแผลๆอะไรนะั่นเจ้าค่ ะ, ะดูผิดที่นะดูเข้ามาให้ถึงจิต าจเ้ค่ะแล้วก็หนูเป็นคนซึ่งอย่าเอาความคิดความเห็นมาใช้ในการปฏิบัตินะอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปคิดเอานะให้อ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆอ่านให้ถึงจิตจริงๆริงอย่างแถบแถบนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้พอเห็นนั้นแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาจิตไม่ชอบจิตกังวลจิตกลัวดูตัวนี้ เ<น>จ้าตัวตัวเนี้ย อ, อย่าไปสนใจให้ตัวที่ถูกรู้ให้รู้ทันจิตตัวเองแต่ก็ต้องระวังอย่าไปประคองจิตให้นิ่งคแค่รู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปฝึกต่อไปเจ้าค่ะนี่อยู่หน้านี้ให้ตื่นเต้นเล่นไปก่อน อย่างหัวใจวายนะเออไม่ไหวสู้ใจกล้าๆคนไทยเนี่ยจะต่างกับคนจีนหน้าตาเหมือนกันนะแต่ต่างกันคือคนจีนเห็นไหม่นะคว้าพูดเลยไม่กลัวคนไทยจะกลัวใหม่แยงมากเลยอุตส่ายยกมือ น, นั้นแต่ใหม่มาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจกลัวอา้าวมาไป หลวงพ่อหนูอยู่กับกายค่ะแล้วก็บริกรรมค่ะเอหนูเห็นร่างกายเป็นเวลาพูดอะค่ะมันเหมือนร่างกายเป็นถุงหนังที่พ่นลมออกมาค่ ก, กแล้วก็บางครั้งเห็นร่างกายเป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นโพรงค่ะมีครั้งหนึ่งที่หนูนั่งนั่งสมาธิค่ะแล้วจิตมันก็คิดนู่นนี่นั่นไปของมันนะคะแล้วก็ ตกใจว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราค่ะหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อแล้วมันวิ่งกลับมาว่าเอาแล้วกายล่ะเนี้ยค่ะปรากฏ ว, ว่าเห็นว่ากายมันเป็นโพงลงไปอ่ะค่ะออแต่ว่ามันยังเป็นตัวเราอยู่ค่ะแล้วก็ที่ที่สงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาพูดเวลายิ้มเวลาหัวเราะค่ะหลวงพ่อมันมีอัตตาอืมอยู่ด้วยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแล้วเก่งไหม ค่ะบางครั้งเห็นว่าตัวอัตตาพอเห็นอัตตาแล้วมันมันสลดลงค่ะหลวงพ่ อ, อบางครั้งเห็นอัตตาแล้วมันไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่ อ, อใช่ได้นะสลดรว่วสลดไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทันจิตของเราดีขอคำแนะนำเพื่อไปทำต่อค่ะหลวงพ่อทำในรูปแบบะ หนูนั่งสมาธิดูกายค่ะแล้วก็ดูกระดูกค่ะหลวงพ่อนั่ง <พอ S 1> ให้หลวงพ่อดูตอนนี้สั่นมากเนี่ยแล้มีสัญญาณเตือนให้ให้หยุดเทศแล้ว <c oughs> หนูบังคับเยอะไปนิดนึงนะที่ว่านั่งสมาธิ้บังคับตัวเองแรงไปบั <c oughs> งคับให้นิ่งมากไป <c oughs> ดูให้สบายสบายกว่านะ สมาธิหนูยังไม่พอหลวงพ่อคะ่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะแบบหนูยืนรอลิฟต์อยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ภาวนามาคิดว่าดูร่างกายหายใจอยู่แล้ว ม, มันมันเหมือนกับหนูไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรคะ่ะแต่มันมันเหมือนกับว่ามันยังรู้เรื่องภายนอกอยู่แต่ว่าพอมีคนที่รู้จักเขาวิ่งเข้ามาหาสามสี่คนเนะะี่ยค่ะแล้วเขามายืนคุยด้วยคือได้ยินเขาแต่ว่าเหมือนขยับร่างกายไม่ได้เหมือนตอบสนองเขาไม่ได้แต่รู้ว่า ต้องตอบสนองเขาอะค่ะไม่ไงั้นมันจะแปลกมากแต่มันก็เหมือนสัก<ร>พักนึงอะคะ่ะมันถึงขยับได้เรานะไปเข้าสมาธิเพ่งอยู่จิต <c oughs> นะติดเพ่งนะไปฝึกสมาธิที่ดีที่ถูกไม่ใช่สมาธินิ่งๆนะไปฝึกเพิ่มไปหลวงพ่อก็เคยไปให้เ น, นี่ยรอลิฟอยู่นะแล้วเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทร ลิฟมาเปิดคนอี่นเขาเข้าไปเราไม่เข้ามันขึ้นไปแป้นเดียมไปติดอยู่กลางทาง <c oughs> <c oughs> นี่อยู่ข้างหน้านี้ธรมสการ ค, าคะ่ะหลวงพออ่อหนูเริ่มฟังหลวงพ่อประมาณต้นปีอะค่ะแล้วก็ลองฝึกไปตัวเองมา <c oughs> เรื่อยๆแต่ว่าก็คือฝึกในรูปแบบบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะฝึกในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็พอจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองรู้สึกอะไรเร็วขึ้นนะคะอารมณ์โกรธห ร, รกหรือว่าอะไรความความอยากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่มาบ่อยๆคือชอบเหมือนกับพอทำอะไรสำเร็จแล้วชอบชมตัวเองะคะ่ะไม่เป็นไรก็เลยไม่แต่ว่าก็คือหลังๆก็อาจจะมีแบบ ลังเลสงสัยอะค่ะว่าไอสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยหนูเห็นจริงๆหรือว่าหนูคิดไปเองเพราะว่าหนูว่าคิดเยอะรู้ว่าลังเลค่ะรู้ว่าลังเลรู้ว่าสงสัยค่ะรู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันครู้เป็นช็อตๆไปที่ฝึกถูกแล้วแต่ว่าตอนเนี้จิตไม่เข้าบ้านรู้สึกไหะจิตเป็นจ้าอยู่ข้างนอกนั่นแหละรู้ไปงี้ ก็คือหนูอยู่ในในในร้องในรอยบ้านแล้วใช่ไหมคะอยู่่เพิ่มสมาธินะให้จิตมนเข้าบ้าน อ, อย่าดึงจิตให้เข้าบ้านนะถ้าดึงแล้วจะแน่นนะเนี่ยตอนเนี้ยไออย่างนี้ดึง อ, อย่าไปดึงอย่างนี้ใช้จิตปกติแล้วาหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวมันเข้าบ้านเองถ้าไปดึงมันมันจะแน่นขอบคุณค่ะ ใช่ชวนกับบ้านเียตั้งใจสอนโยบถึงเก้าโมงครึ่งถ้าหลวงพ่อออกมาเก้ามงสิบห้าก็เหลือสิบห้านาทีนะพรามีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมมีไหมแม้ครั้งที่สามมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่ น, นีนิมนต์ได้จานทร์